เช่นว่าขอให้พระเถระรูปนั้นรูปนี้มาอยู่ที่บ่าขวารูปนั้นมาอยู่ที่บ่าซ้ายรูปนั้นมาอยู่ที่หน้าอกรูปนั้นมาอยู่เบื้องหลังอะไรของเราอย่างนี้ซึ่งเป็นพระอ า, าราณ์ทั้งนั้นครับจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ผมได้พูดไว้บางแล้วนะครับเรื่องก่อนๆ ก, ก็จะไม่ขอพูดซ้ำในที่นี้ละ ขอพูดในขอพูดผมได้พูดเอาไว้ในเรื่องที่หัวเรื่องที่ว่าควรสิร่งที่ควรทำความเข้าใจหรือเรื่องที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องามีรายละเอียดอยู่ที่นั่นแล้วท่านที่ติดตามเทปหรืออะไรก็ไปติดตามเาที่นั่นก็ได้ในที่นี้ก็ขอพูดแต่เพียงผ่านไป นี่ <c oughs> เราควรจะวางความเชื่อลงในกฏแห่งกรรมคือการกระทำทั้งบุญและบาปหรือว่าในคาถาลองนึกดูว่าเราควรจะวางความเชื่อลงในกฏแห่งกรรมหรือคือการกระทำทั้งบุญทั้งบาปหรือว่า อาจจะวางความเชื่อลงไปในคาถาอาคมตาม่างๆอานุภาพแผ่นกรรมกับอานุภาพของคาถาอะไรจะเหนือกว่ากันอันนี้ถ้าถือตามพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่านัตติก ร, รมมสมังบาลังนัตติก ร, รมมสมังพลังไม่มีกําลังใดที่เสมอด้วยกําลังก ร, รม แล้วก็เราก็ควรจะต้องวางความเชื่อลงไปในเรื่องของกรรมที่เรียกว่ากรรมสัต ธ, ธากรรมสัตธะเชื่อในเรื่องกรรมวิปากสัต ธ, ธาเชื่อในเรื่องผลของกรรมกรรมสกตาสัต ธ, ธาเชื่อในความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากตัถากะจักภูีิสัต ธ, ธา คือเชื่อในพระพัญญาจะสรูของพระตถาคตเจ้าแล้วท่านก็เป็นกรรมวาทีเป็นวิยะวาทีเป็นผู้กล่าวการกระทำเป็นผู้กล่าวความเพียรยกจองความเพียรคือว่าถ้าคนเราเว้นความช่วยอยู่เสมอทำความดีอยู่เสมอ ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอและก็ไม่ต้องการผลอะไรที่ตนไม่ได้ลงมอือกระทำแล้วอาชีวิตของเราจะเป็นเช่นไร่พราะพลังแห่งความดีความบริสุทธิ์และปัญญาจะคุ้มครองให้เราอยู่เย็นเป็นสุขได้หรือไม่แต่ทีนี้ถ้าใครสักคนหนึ่ง ทำความช่วยอยู่เสมอเว้นความดีอยู่เสมอปล่อยจิตให้สกรปรกด้วยนานานกินเละมืดด้วยโมหะอยู่เสมอแล้วเขาจะสวดคาถาอะไรจะเจ้าน้ำมนต์อันถือกันว่าครั้งละสักิที่ไหนมาป้องกันมาชำระล้างมนทินชีวิตของเขา ที่นี้ถ้าชาวพุทธเราวางความเชื่อลงไปในกฎแห่งกรรมอย่างที่พระพุทธเจา้าทรงสอนอย่างมั่นใจแล้วจะไปเสียเวลาทำไมกับเรื่องการอ้อนกอขอนั่นขอนี่จา ก, การูปเคารพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูชาวอินเดียก็ได้ครับ ชาวอินเดียเถอะดชาวอินเดียมีเจ้าพ่อเจ้าแม่มากมายให้คุกเข่าลงสวดอ้อนวอนภาสียกำยานในดอกไม้ไปเท่าไหร่เลือดในคอแพะเสียไปเท่าไหร่เพื่อบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่แล้วก็มีแต่ความว่างเปล่ามนุษย์ ต้องช่วยตัวเองและช่วยกันเองเวลามีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ถ้าท่านลองดูจะลองดูก็ได้เวลามีภัยพิบัติเกิดขึ้นอะไรในสังคมมนุษย์ถ้าใครเป็นคนช่วยมนุษย์ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามนุษย์ต้องช่วยตัวเอง แล้วก็มนุษย์ก็ต้องช่วยกันเองมนุษย์ก็ช่วยมนุษย์กันเองถ้ามีมีอะไรให้มาช่วยมนุษย์บางมาช่วยท่านบางน อ, อกจากมนุษย์จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยมนุษย์กันเองมากมายไกลกองถือว่าช่วยกันข้ามชาติข้ามชาติข้ามประเทศ ข้ามเทวีบเราก็ายังช่วยกันได้ก็มนุษย์ช่วยกันเจาสร้างรูปเคารพแล้วก็บูชารูปเคารพเพื่อรึกถึงความเพื่อรึกถึงความดีงามของท่านที่ได้ทำไว้เพื่อเราจะได้ถ่ายแบบ่จะเริ่นรอยตา ไม่ใช้เพื่อให้วิญญาณของท่านมาช่วยเหลือในธุรกิจในความต้องการของเราอ่าถ้าด้วยจุดประสงค์อันนั้นก็เป็นการเห็นแก่ตัวมากและก็รบกวนท่านไม่ได้หยุดยอนวาวิญญาณของท่านจะได้พักผ่อนสงบสุขได้อย่างไรแต่เราไม่เห็นใจท่านบ้าง ถ้าเห็นควรช่วยท่านย่อมจะช่วยเองอย่าไปรบกวนท่านนักเลยสิ่งที่เราถือว่าศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราถือว่ า, า, ว า, าได้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาก็ควรจะยึดถือเอาคุณงามความดีของท่านามาเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำตามถิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่าครัง้งทีนี่คำว่าครัง้งท่านก็ให้ความหมายว่ามีกำลังหรืออำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้มีอำนาจ ศ, ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์ขอให้นึกดูให้ดีนะครับเพียงแต่เชื่อกันว่า ในพัฒนาพจนานุนาน ก, กรมก็บอกว่าเพียงแต่เชื่อกันว่าคัาดคณินนว่านึกว่าเข้าใจว่าไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นจริงไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นจริงพระพุทธเจ้าจรัดว่าสิ่งที่เคยเชื่อกันมาเคยถือกันมาว่าจริง ก็มีสิ่งที่เคยเชื่อกันมาเคยถือกันมาแต่ว่าไม่จริงเป็นจริงก็มีถ้าถือตามหลักพุกเจต ส, สนาอำนาจที่สามารถปันดาลให้ประสบความสำเร็จได้ดังประสงค์ก็คือหลักอิทธิบาทคือว่ามีชั้นทักในสิ่งนั้น มีความภัคเพียรพยายามในสิ่งนั้นเอาใจใส่จริงจังทุ่มเทจิตใจลงไปในสิ่งนั้นแล้วก็ใช้ปัญญาไตครว่นเหตุผลหาข้อบอกพร่องหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆในสิ่งนั้นและคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่ทรงแสดงไว้ซึ่งล้วนแต่เป็นหลักที่ พระพุทธเจ้าทรงคิดจักรับรองว่าปฏิบัติแล้วได้ผลจริงในถ้าจะวางความเชื่อกันลงไปแล้วระวังพระพาชาต่างๆอนารา์ภายหลังแต่งขึ้นซึ่งผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็สวดกันเพื่อวางความสาเร็จกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงทรงสอนไว เพื่อความสำเร็จในชีวิตสูงขึ้นพระนิรตขึ้นโดยลำดับเราควรจะวางความเชื่อลงไปในอะไรแต่นั่นแหละครับการปฏิบัติเป็นสิ่งยากกว่าการสวดอ้อนบทการหวังพึ่งบารมีของสิ่งอื่นทำง่ายกว่าการพยายามพึ่งตนเองการที่เจ้า หวังพึ่งบารมีของสิ่งอื่นมันทำได้ง่ายกว่าคือกว่าการพยายามที่จะพึ่งตนเองหรือว่าไปให้พระเคาะหัวเพื่อสิริมงคลง่ายกว่าง่ายกว่าการปฏิบัติเพื่อทำให้เป็นสิริมงคลพือทำให้มีสิริมงคลเกิดขึ้นในตนคนจึงหลังไหลไปในทางที่ง่ายกว่า ที่จริงการเคาะหัวนี่มันก็มีอยู่สองแบบตัวแบบหนึ่งก็เคาะหัวข้างนอกเคาะหัวข้างนอกหัวกระโหลกหัวนี่แหละบางทีก็ยิ่งถูกเคาะก็ยิ่งโง่มากขึ้นอีกแล้วมันมีการเคาะหัวที่ทีหนึ่งคือเคาะสมองเคาะความคิดบางคนก็ทำงานเคาะสมองมนุษย์กันกัน แต่ว่ายิ่งเคาะยิ่งมีปัญญาเคาะเอาสนิมสมองออกสนิมหัวออกเคาะออกความโง่ออกความโง่ความงมงายออกเสียไปเห็นเคาะสมองข้างในเคาะข้างในไม่ใช่เคาะข้างนอกไอ้เคาะข้างนอกนี่ยิ่งถูกเคาะ่ายิ่งโง่แต่่าเคาะข้างในเคาะเอาสนิมออก ก็เอาความโง่ออกเอาให้ความสนิมของสมองออกไปก็ใส่สิ่งที่ดีให้เข้าไปเข้าไปท่นะบางคนก็ทำงานในการเคาะสมองคนนี้ก็ถ้าถ้าพระพุทธเจ้าของเราไม่ทรงกล้าหา วนกระแสลัทธิของพระรามในสมัยของพระองค์แล้วพุทธศา ส, สนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งที่ทำยากก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เสมอไปถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างไรเช่นว่าต้องการน้ำมันงาก็ต้องขั้นออกจากมะเร็ง ไม่จากไม็ดสายถ้าต้องการนมโคก็ต้องคั้นหรือว่าบีบรีดออกจากนมแม่โคไม่ใช่จากเขาโคตัวผู้ถ้าทำผิดที่ทำผิดพิ ธ, พธีเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็แม้จะใช้ความภาพเพียนไปแลจามเพียรเพียงใจยากเพียงใจก็ไม่สำเร็จประโยชน์ได้ เหตุนี้นะครับวิมังสาคือปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาจริงสำคัญมากนะครับขอให้ชาวพุทธในระดับผู้นำช่วยกันสา่์แสงสว่างคือปัญญาเข้าไปในดวงใจของชาวพุทธด้วยช่วยกันเขาก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคิดว่าสงสารเขา พวกเขาได้เสียสละมามากแล้วเเพื่อชาวพุทธในระดับแนวหนาเราจะได้มอมเมาพวกเขาให้หลงผิดเพื่อเขาสมควรเมื่อเห็นว่าเขาสมควรจะได้รับการพ่าตัดก็พ่าตัดลงไปเลยเราจะมวัวให้ยาวหอมกันอยู่เลยเพราะเลี้ยงโลกของเงินคนไข้ยอยู่ก็ไม่ดีไม่ดีก็ควรจะสงสารเขา ชาวพุทธเกิดพิจิท ธ, ธาบ่อยๆนะครับในสังคมไทยแ้วก็อยู่ในสภาพที่อ่อนแออ่อนแรอ่อนกำลังกระว่าขาดกำลังปัญญาในศาสนาของตนมีกำลังศรัท ธ, ธามากแต่ต้องแบกไปให้ศรัท ธ, ธาที่วิปริเตยีจึงเป็นศรัท ธ, ธาญาณวิปริตคือศรัท ธ, ธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา ถึงถ้าตัดสินตามหลักของพุทธแล้วก็มีผลเป็นลบคือใช่ไม่ได้กำลังสติและสมาธินั้นอ่อนเด็บทีส่วนความเพียรมีพอสมควรแลวก็เป็นมิจฉาวยายามใช่ไหมน้อยพบาไยมุขถึงเต็มเมืองไม่เว้นแม้แต่ในวัดพระสงฆ์บางรูปเล่นการพ น, นันเล่นหวยใต้ดินด้วยความโลภในทรัพย์ ชาวบ้านทั่วไปจํานวนไม่น้อยนะครับฟังรวยจากการพนันนิสัยการพนันกับนิสัยเกียรติคร้านทําการงานอันเป็นหน้าที่ของตนนั้นมันเป็นสิ่งที่คู่กันไปตลอดเวลาเป็นเหตุเป็นผลของกันรละกันท่านผู้ฟังที่เคารพกับวันนี้ เ, เวลาหมดแล้วครับ สำหรับวันนี้ขอข อ, อยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีคือมีแต่ท่านผู้เป็นกรรรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วไปสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศน์ศชีวิตนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมป ร, ระสิญนิศรัทธาจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ นี้เป็นวันพฤหัสบดีที่เก้ากันยายนัน2 5ายสบนะครับถ้านับเป็นเดือนกึังก็เป็นเดือนเก้าวันที่เก้าเดือนเก้าคศ19ก้าอสิบก็เป็นหลายเก้า ไปเป็นหลายเก้าจุดอันนี้ก็บางคนก็ถือโชคละเรืออะไรไปพาท้องเอาลูกออกในวันนี้ในเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีจะเก้าวินาทีด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็มีเรื่องสับสนทางคอมพิวเตอร์อะไรนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็าไม่มีปัญหาอะไร แต่คนก็เชื่อกันแล้วว่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่ครับสองเดือนมาแล้วก็มีคนทำนายว่าลูกจะแตกในเดือนกรกฎาสองพันห้าร้อยสี่สิบสองหรือปีหนึ่ง เก้าเก้าปีหนึ่งเก้าเก้า 199, นินเก้าเก้าเก้าก็ไม่เห็นแตกก็ อ, อยู่ได้โลกยังอยู่ได้โลกไม่แตกแต่ก็ทำให้คนแตกตื่นกันไปหลายคนเหมือนกันเป็นพระตายตื่นซูมพรตาเรียกตามภาษาทางธรรมะทันว่าเป็นมงคลตื่นข่าวเป็นการตื่นข่าว ทีนี้ก็อันนี้ลักษณะเป็นกระ่ายตื่นตูมการสำนวนกระ่ายตื่นตูมนี่ก็มีกระดายในชาดุกนะครับในชาดกมันมีกระ่ายตัวหนึ่งมันนอนอยู่ใต้ต้นมะตูมไอ้กระนอนตื่นขึ้นมาด้วยเสียงมะตูมหล่นเสียงมะตูมหล่นก็ตกใจคิดว่าแผ่นดินถลม่ม ก็เลยวิ่งไม่ได้วิ่งเปล่านะครับตะโกนไปด้วยตะโกนไปว่แผ่นดินถลม่มแผ่นดินถลม่มไอ้ทีนี้สัตว์ป่าไม่ได้ยินข้าวก็กลัวอไม่ฟังฮีราคายลมอะไรเชื่อกระต่ายตัวที่ตื่นตุกเอาวิ่งกันใหญ่เลยพากันวิ่งกันใหญ่ไปใหญ่วิ่งออกจากป่าจะไปตกทะเลตายกันหมด ไปเจอสัตว์ที่ฉลาดเข้าตัวนึงมันก็รู้เรื่องรู้ราวห้ามเาไว้บอกว่ากระต่ายมันตื่นตูม <c oughs> กระต่ายมันขี้ตกใจอยู่แล้วตามปกติกระต่ายมันก็ขี้ตกใจอยู่แล้วขวัญนอนก็เลยพาให้สัตว์อื่นที่เชื่อง่ายาตื่นตูมไปด้วยพากันวิ่ง กันวิ่งกันวิ่งหนีกลัวแผ่นดินะลม่มในไม่เพียงใดกระตายนะครับในสังคมมนุษย์ น, นี่ก็มีคนที่คิดตื่นมันก็ไม่ไม่ตื่นไ้นปนคนเดียวพูดด้วยพูดให้คนอื่นเขาตื่นไปด้วยก็พากันตื่นกันไป พตื่นวัวตื่นควายยังพอห้ามได้ตื่นคนให้ห้ามยากเพราะนั้นก็อย่าอย่าไปอย่าไปพูดอะไร <c oughs> อย่าไปพูดอะไรให้แตกตื่นกันเลยพูดอะไรให้มั่นคงให้สงบให้กันดีกว่าให้ขวัญดีกันหน่อย อย่าไปทําให้ควันเคยเจิงคันเสียอะไรกันทําอะไรให้มันดีที่สุดก็แล้วกันทําให้ดีที่สุดแปลว่าอะไรจะเกิดก็ช่างมันเกิดก็ช่างมันอะไรที่เป็นจริง มันก็เป็นอะไรที่ไม่เป็นจริงมันก็ไม่เป็นเราก็ใช้ปัญญาสักหน่อยก็ตอนนี้กําลังพูดเรื่องศรัทธากับปัญญาใช้ปัญญาสักหน่อยพวกเราชอบพูดถึงความจริงกันรักความจริงมันกันชอบพูดความจริงแต่ว่าเมื่อพูดถึงความจริงแล้วก็เราควรจะแบ่งความจริงออกเป็นสองอย่างคือความจริง ตามความเชื่อหรือความจริงของความเชื่ออะไรที่เราเชื่อว่าจริงเราคิดว่ามันจริงแต่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแต่เพียงความเชื่อเท่านั้นเองเพรามันเราคิดว่าจริงเพราะเราเชื่อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความจริงของปัญญาหรือความจริงที่ปัญญาของเราได้สองเห็น ได้ใช้ปัญญาแลว้วได้สอดส่องดูแลว้วได้เห็นแลว้วด้วยปัญญาอั <c ười> นี้ถ้าได้เห็นด้วยปัญญามันก็ก็ยังชั่วหน่อยมันพอเชื่อถือได้สักหน่อยแต่ความจริงตามความเชื่อนี่น่ากลัวน่ากลัวอันตราย มันกระตายตื่นตูมอันนี้ก็ขอให้พวกเราพี่น้องชาวไทยช่วยกันระวังไปด้วยอย่าเชื่ออะไรง่ายนะโดยอย่าพอกข่าวลือลือกันว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อคนที่ขวัญอ่อนนี่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเชื่อด้วยตัวเองไปเที่ยวพูดให้คนอื่นเขาเดี๋ดร้อน แต่คนอื่นที่วันนอนตามันก็เชื่อตามไปด้วยทีนี้ก็ผมขอพูดต่อไปจากต่อจากที่พูดไว้เมื่อวานนี่นะครับถาสังคมไทยของเรานี่เป็นเมืองพุทธก็จริงนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของคนไทยเป็นพุทธกี่เปอร์เซ็นต์ เราใช้วิธีชีวิตแบบพุทธก เ, เปอร์เซ็นต์การ น, นิยมเป็นตัวกาหนดวิธีชีวิตนิยมเป็นตัวกาหนดวิธีชีวิตนะครับดังนั้นว่าคานิยมมันเพียนไปซะแล้ววิธีชีวิตก็จะ เ, เพี้ยนตามไปด้วย เมื่อ่านิยมมันเพียนไปวิธีชีวิตจะไม่เพียนเป็นไปไม่ได้นเรามีขานิยมเป็นวัตถุหถือทว่าวัตถุนิยมจะทำดีต้องได้ดีให้เห็นเป็นวัตถุว่าถ้าไม่ได้เป็นวัตถุไม่ได้ยศถือว่าไม่ได้ดีนี่คือขานิยมที่ไม่เข้าใจแม้ในเรื่องทำดีได้ดี สวดมนต์ให้ได้ลาบให้ได้ซับไม่ได้นึกถึงคุณค่าภายในที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจกับการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นคุณค่าที่ดีกว่าทั้งเยกเลยแต่กระแสสังคมของเรามันเชี่ยวกลาไปทางวัตถุนิยมทางสังคมวัดและสังคมบ้าน ตอนนี้ก็มีข่าวออกมานักศึกษานักศึกษาดินขายตัวอย่ามากแต่วันนี้ก็ทางเชียงใหม่ก็ประกาศออกมากว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ซื่ไปก็ทราบว่าที่ต้องไขตัวก็เพราะว่าหนึ่งค่านิยมในทางพุ่งเฟอือยมันมีค่านิยมในทางพุ่งเฟอือยแล้วก็สองชอบใช้ของแพง ทางทางที่เป็นนักศึกษาอยู่ก็ชอบใช้ของแพงใช้กับเป๋าราคาแพงใบหนึ่งเป็นหมื่นอะไรทานองนี้นะครับมันไม่จำเป็นแล้วก็ประการที่สามใช้เงินเที่ยวสถานเดินรบมันไม่จำเป็นทั้งนั้นเลยล้วนแต่ไม่จำเป็นทั้งนั้นทีนี้เมื่อมีค่านิยมอย่างนั้น ค่านิยมเป็นตัวเข้าไปกำหนดวิถีชีวิตว่าเขาจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรตามค่านิยมที่นี่ถ้าเขามีค่านิยมที่เรียบง่ายมีค่านิยมสันโดษมีค่านิยมมักน้อยมีค่านิยมดำเนินชีวิตตามอารยวัฒนธรรมอย่างที่เราเคยมีกันมาแต่บโบราณ พัฒนธรรมของพระอริย ะ, ะเหตุการ์อย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นคำนองนี้นะครับท่านอาจารย์พุท ธ, ธาึาดมีปณิธานอยู่ข้อหนึ่งในสามข้อว่ า, อาให้ชาวพุทธเราถอนตัวออกมาเสียจากวัตถุนี้จบมีเช่นนั้นแล้วสังคมเราจะไปไม่รอด สังคมเราจะสับสนวุ่นวายที่นี้ก็มีผู้สงสัยว่ า, าการทำความดีแล้วขอพอรเรืออธิษฐานให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้กับการสวดอ้อนวอนขอการคุ้มครองขอลาบจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรจะ ต, ตอบว่าต่างกันการทำความดีแล้วขอพอรหรือการอทิษฐานนั้น อยู่บนพื้นฐานของคุณงามความดีอันที่จริงก็ถึงแม้ว่าจะไม่ขอก็ได้อยู่แล้วตามเหตุแต่ถ้าสร้างใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งเขาด้วยก็จะช่วยให้กระแสบุญกระแสบุญหรือกระแสกุศลส่งผลไปทางนั้นมากขึ้น เปรียบดูนะครับเปรียบเหมือนน้าตามธรรมชาติก็ไหลลงสู่ที่ลุกอยู่แล้วนี่ถ้าเราทําลํารางให้ไหลไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะน้ําก็จะไหลไปทางนั้นมากเป็นพิเศเีย่าลืมจังหนึ่งนะครับเราปลูกมะม่วงก็ได้ต้นมะม่วงเราได้ผลมะม่วงปลูกขนุนได้ต้นข้าหนียวได้ผลข้าหนียปลูกทุเรียนก็ เ, เหมือนกัน เราก็สามารถจะรวบผลเหล่านั้นแปลหรือแปรแปลเป็นเงินไปซื้อบ้านก็ได้ซื้อรถจดก็ได้แปลว่าได้ผลสองชั้นชั้นที่หนึ่งผลตามธรรมชาติชั้นที่สองผลตามที่ทั้งใจเรื่องนี้ไม่ขัดกับโกเทงกรรับออคล้อยกันไปคล้อยตามโกเทงกรรับ คือมีพื้นฐานอยู่ที่คุณงามความดีสอดคล้ อ, องตามกฎแห่งกรรมท่านลองนึกดูอีกสักเจ่นหนึ่งนะครับพ่อแม่เนี่ยปรารถนาดีต่อลูกอยากให้ลูกทุกคนมีความสุขมีความเจริญหวยพอไน้อยู่เสมอแต่ทำไมลูกบางคนจกตกตามลำบาปบางคนใดดีดมีสุขก็เพราะเขาทาของเขาเอง กรรมของเขาเองนําเขาไปสู่ที่ต่ำหรือที่สูงพระพุทธพจน์มีว่าสานิกรร ม, มานินยันติดุกขติกรรมของเขาเองนําเขาไปสู่ที่ต่ำ <c oughs> พ่อแม่มีส่วนช่วยเหลือแต่ตัวหลักก็คือตัวของเขาเองเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงแทนเขาไม่ได้ทํางานทําความดีแทนเขาไม่ได้ <c oughs> ถ้าเขาทำความดีมากๆพ่อแม่ที่ชั่วก็ดึงเขาหลงนรกไม่ได้เขาต้องไปตามทางของเขาตามพระพุทธพทธิวะอัตตาหิอัจโนคติตนนั่นแหละเป็นทางดำเนินของตนก็จะเห็นจะเห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นครอบคลุม ก็สำคัญต่อวิถีชีวิตแก่ใจนะครับท <c oughs> ีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านวางชีวิตลงไปในหลักกรรมแล้วท่านจะไม่วุ่นวายกับมงคลไปนอกไม่วุ่นวายกับมงคลตื่นเก่าก็ไม่วุ่นวายกับสิ่งบรนจารไป